มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักพรหมจารีปัญหาที่สี่ถามว่า พระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารีหรือถ้าเป็นพรหมจารีมิเป็นสิทธพรมหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาเกษตระฆ่าแต่พระนาคเสนผู้มีญาณปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้านี้เป็นพรหมจารีหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชา ขอถวายพระพรอนบ่าพิษพระราชสมภารสมเด็จพระมหากรุณาเป็นพรหมจรีสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาองค์สมเด็จพระมหากรุณาสิเป็นพรหมจรีแล้วจะเป็นสิทธิแห่งพรมดอกกระมังโยมยังกังขาอยู่ พระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่าพระราชสมภารเจ้ายังมีช้างอยู่ตัวหนึ่งเป็นใหญ่กว่าช้างทั้งหลายเหล่านั้นสิน้นพระราชสมภารได้ยินเขาว่าบ้างหรือหามไม่ได้เล่าพระเจ้ากรุงมิลินตรัสว่าโยมได้ยินอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน จ, จึงถามอีกเล่า ว, ว่าช้างกระทาโกนจจนาเหมือนนกหัสดีลิงหรือ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรตรัสว่าพันเตนาคะเสนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีปรีชาญาณพระยาช้างนั้นกระทํโกนชนะด์อย่างนกหัดสดีลิ่งพระนาคเสนจึงถามพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นธรณีว่าช้างนั้นร้องโกนชนะดเหมือนนกหัดสดีลิงแล้วก็ช้างตัวนี้ เป็นสิทธนกหัดสดีลิงดอกกระมังณบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอ่งการตรัสแก้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าช้างนั้นเล่าจะได้เป็นสิทธนกหัดสดีลิงนั้นหาไม่ได้พระนาคเกษร จ, จริงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีสมเด็จพระมหากรุณาเจ้านี้เป็นพรหมจารี เหตุว่ามีช้านเหมือนพรมจะได้เป็นสิทธิพรมหาไม่ได้เหมือนกับช้างที่ได้อุปมาณนั้นอันหนึ่งอัตมาจะถามว่ามหาพรมนั้นได้ตรัสรู้ด้วยตนเองหรือไม่ได้ตรัสรู้ณนะบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมีลินปินธรณีมีพระราชองค์การตรัสว่ามหาพรมนั้นจะได้ตรัสรู้ด้วยตนเองหาไม่ได้ พระนาคเสษเจิงถวายพระพรว่าถ้ากระนั้นเท้ามหาพรหมก็เป็นสิทธิสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระเจ้ามิลินปิ่นธรณีมีพระราชโอการตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอุปมานี้สมควรแล้วนักหนาะในการบัดนี้พระม า, ารีปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้